อาจารย์ครับการมาสการครับผมยกริญกอนคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพอาจารย์ครับวันนี้จัดรายการวิสาชนธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับะอาจารย์ครับเมื่อช้าพระอาจารย์ไปบินบาทมีคนไปใส่บาทเยอะไหมครับอาจารย์ครับสี่ร้อยสามสิบสามทางบ้านอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบก็ร้อยกว่าหกร้อยกว่าครับผมแ่นครับเยอะ แ่งครับเยอะเอ๊ะวันนี้ไม่ตรงวันพระใช่ไ้ยครับอาจารย์ใช่วันอาทิตย์ธรรมดาวันอาทิตย์ธรรมดาสี่ร้อยกว่าเยอะมากวอร์ดบอลนี่ก็สามร้อยเก้าสิบกว่าครับสามร้อยเก้าสิบสี่ครับแล้วหน้ากุดมีคนไปเจอะไมครับอาจารย์ครับวันนี้ตอนบ่ายที่หน้ากุดประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยแปดสิบรวมกันที่บ้านนว่ก็ประมาณแปดร้อยกว่าโอ้โหครับผม เรื่มงวิสาการศกครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยตั้งหัวข้อเรื่องความไม่ประมาทครับอาจารย์เพราะว่านึกถึงคําพูดของพระศาสดาที่สอนเราครั้งสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็เลยจะขอปัญญาจากพระอาจารย์ในเรื่องนี้ครับกราบขอความเมตตาครับผมก็คื อ, ค, อคนเรามักจะลืมเป็นว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการลืมนี้ก็ถือว่าเป็นความประมาท เราต้องละเลึกทำความตายอยู่เรื่อยๆเหมือนได้ถานพระ อ, อนอนท์ว่า อ, อนอน์วันๆหนึ่งเธอละเลึกทำความตายสักกี่ครั้งพระอนอนก็ตอบว่าประมาณสี่ครั้งเช้ากับวันเย็นก่อนนอนพระเจ้าบอก อ, อนอน์เธอยังประมาทอยู่วิธีที่จะทําให้เธอไม่ประมาทเธอต้องละลิกว่าเวลาที่เธอหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย เวลาหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเธอก็ตายให้เราเล็นแบบนี้ทุกลมหายใจก็ออกถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทคือไม่ให้ลืมความหมายคือไม่ให้ลืมความตายเพราะว่าถ้าเราลืมแล้เราก็จะไม่ไปทำกิจที่พึงกระทำก็คือไปทำข้อสอบความตายนี้เป็นข้อสอบที่เราสอบตกกันมาอยู่นานแะล้วเพราะว่าเรากลัวความตาย เราทุกกับความตายไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านก็ต้องกลับมาทางใหม่กลับมาสอบใหม่เรือยถ้าเรามาทําข้อสอบนี้ได้ทําให้เราไม่ทุกกับความตายได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาทำข้อสอบนี้เองเพราะว่าเหตุที่พาให้เราทำํำมาทําเหตุที่ทําให้เราต้องกลับมาทาข้อสอบนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์กับร่างกายนี่ เตที่ทำาห้เราทุกขกับความละร่างกายก็คือเรามีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราอยากเสีรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะชนิดต่างๆการจะเสีรูปเสียงกลิ่นรดได้นี้ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายก็คือต้องมีร่างกายถ้าขาดร่างกายไปหรือร่างกายไม่สมประกอบนี้การที่อยาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะยากบางทอาจจะไม่มีเลยก็ได้ มันไม่สามารถหาความสุขได้มันก็จะทำให้ใจที่เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยติดไดแลพอไม่ได้เสพในสิ่งที่อยากจะเสพก็จะมีความทุกข์ทรมานใจใจจงไม่อยากให้เสียร่างกายไปไม่อยากให้ร่างกายตายใจก็เลยทุกทุกครั้งที่นึกถึงความตายหรือเจ อ, อความตาย แต่พระเจ้าทรงตัดสว่าวิธีนี้ทําให้เราไม่ต้องทุ่งกบร่างกายก็คือเราต้องเลิ่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราต้องหยุดความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดให้ได้ด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาที่จะเป็นเครื่องมือใช้ในการยุติความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้ ถ้าเรามีศีลมีสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถเลิกเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้เพราะเรามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขจากการทําใจให้สบงบเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายหรือไม่ต้องใช้ร่างกายเพราเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือนร้อนเพราะว่าเราก็ยังมีความสุขได้คนที่ทําใจให้สบงบได้เนี่ย น้ำกายแก่ก็ยังมีความสุขได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยูย่ในโรงพยาบาลก็มีความสุขได้เวลาร่างกายจะตายใจก็มีความสุขได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือนั่นเองดังนั้นพระเจา้าจึงให้เรามาเตืนเตินตัวเองเยอะๆนะครับเราจะต้องเจอความตายกันอย่างแน่นอน และวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกกับความตายและไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็คือเราต้องมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อหยุดความอยากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสให้ได้เพราะเราหยุดได้แนละ้วเราก็จะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วถ้าเราพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะปล่อยมันได้อย่างสบายอย่างง่ายได้ นี่คืองานที่เราต้องทำถ้าเราไม่รีบมาทำเสียตอนนี้มันจะไม่เวลามันจะหมดไปเรื่อยๆมันเวลาผ่านไปผ่านไปสังขารร่างกายก็แก่ลงไปเรื่อยๆถ้าไม่รีบมาปฏิบัติเดี๋ยวมันก็จะไม่ทันการแล้วก็เป็นโชควาสนาของพวกเราที่ได้มาเกิดในในภพนี้ที่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา เพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี่จะไม่มีใครรู้วิธีปฏิบัติกับความตายต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลั้นสองคนพบทสายของความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็คือความอยากไม่ตายความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆเพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสกสุขตา่างๆพพุเจ้าทรงเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ ร่างกายมาเป็นเป็นการใช้การปฏิบัติทําแทนปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็สามสารถสร้างความสุขรูปแบบใหม่ขึ้นมาทดแทนความสุขทางร่างกายได้ก็เลยไม่ต้องเพิ่มร่างกายพอไม่ต้องเพิ่มร่างกายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ใช่ก่อนแล้ว น, นี่คือสิ่งที่เราตีบมาทํากันมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน อยากความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดเถร่าาบยศสรรเสริญเพราะมันต้องใช้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงรํางกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายนี้ไม่สามารถที่จะไปหาราบยศสรรเสริญสุขกันได้ดันั้นเราต้องรีบมาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันเพื่อที่จะได้ละความความอยากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพสุข แล้วเราก็ใช้สีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือในการเสพสุขแทนเมื่อเรารับความอยากเรูปเสียงกิริยแล้วได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายแล้วเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพสุขแล้วเราสามารถเสพสุขจากความสงบได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราก็ทํากัน ก็คือยังประโยชน์ตนยังประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมออทําข้อสอบนี้ให้ได้หลุทพ้นจากความทุกที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายให้ได้หลังจากนั้นถ้าเราก็จะได้ไปทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปคสั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปได้ถ้าเราลืมถ้าเราไม่รรู้ถึงความตา ย, ยาเรื่อยเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆ เราก็เลยบอกว่าขอให้รอให้แก่ก่อนขอให้มาปฏิบัติคนส่วนใหญ่จะคิดว่าขอให้แก่ก่อนแล้ว่าเข้าว่าตอนนี้เรายังมีกําลังวางชาขอทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้างทำประโยชน์ให้กับครอบครัวบ้างอะไรสุดแท้แต่จิตเียนมันจะอ้างแต่ไม่ยอมให้เราไปทําประโยชน์ที่แท้จริงสําหรับตัวเราตามที่พระเจ้าทรงสอนลงย่างประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือทําให้ตนเองหมดพ้นจากความทุกข์ ให้ได้บางผู้ที่เกิดเวลาที่ร่างกายแก่จิตตายให้ได้ก็มีคร่าวๆแค่นี้ถ้ามีคําถามอะไรอยากจะถามต่อก็ถามได้อาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่าคนที่ไม่ประมาทเลยก็คือพระอาหารหันต์เท่านั้นน่นใช่ไหมครับอาจารย์ก็ผู้ที่เจริญมัตตตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคนที่คนที่ไปบวชนี่ก็ถือว่าไม่ประมาทนะอืม คนที่ละทางโลกได้ก็แสดงเขาไม่ประมาณนะเขารู้แล้วว่าเขาต้องตายต้องแก่เจ็บตายพระอาจารย์ถึงสอนชาวพุทธเราให้เรารักถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เราเกิดมาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาน่วมพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้พอเราเริ่มปวดบ่เข้ามันก็ซึ้งใจถึงใจแเราจะอยู่ไปทําไม อยู่ไปหาลามยศรเสิร์งสูงก็เดี๋ยวก็พอเจอพอเจอสภาพของแก่เจ็บตายก็ทําอะไรไม่ได้ก็ยึดเจอจากลความทุกข์ลาภ ส, ร ส, รสารสิร์ญหามันไม่มากน้อยเท่าไหร่ก็ช่วยเราไม่ได้เลยต้องเป็นเป็นนักบวช น, นะคือต้องเห็นเทมว่าโทษเสียพรเจ้าเหมือนพระที่พระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าทรงเห็นว่าร่างกายของพอ่อจะต้องแก่เจ็บตายแล้วก็เห็นวิธีที่จะทําทให้ ไม่เราบทุกกับร่างกายได้ก็คือต้องไปบวช เ, เป็นนักบวชเพราะนักบวชนี้จะมีเวลามีโอกาสที่จะสามารถศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเป็นฆร า, าวาสครองเรือนยังไม่มีเวลาพอว่าวันๆหนึ่งก็จะวุ่นวายกับการห า, าราบลดเสลเซหน้าครับสบุขตา่างๆจะหุง น, นืมกายไปเรื่อยๆถ้าหล่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่มีขอบไม่มีเขตได้ล้านนึงก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้น้อยล้าน มันจะคูณไปเรื่อยๆมันจะไม่ทําให้เราหยุดได้งั้นถ้าเราเลือกถึงความตายว่ามันกระเยียบเบรกเลยเฮ้ยควรจะตายหรือวะลืมไปแล้วกวรยอนเงินสิบล้านไม่ทําอะไรตายไปกลัวไปเอาไปได้หรือเปล่าเวลาเจ็บเวลาทุกข์ใจนี้เงินสิบล้านดับความทุกข์ใจได้หรือเปล่าไม่ได้เลยต้องธรรมโอสถคือสีนสมาธิปัญญาทนะ่านนึงแล้วรีบมาสร้างสีนสมาธิปัญญาธรรมโอสถยารักษาใจ เพื่อมันดับความทุกข์ทางใจเวลาที่เจอกับทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ไอ้คนที่นโมบุญนี้เขาเป็นขาว่าภิกษุแปลว่าอะไรน้าคุณบอกภิกษุแปลว่าอะไรครับผู้เห็นภายในการเวีนว่ายตายเกิดผู้เห็นภายในการในวัตฏะสงสารในการเวีว่ยตายเกิดในวัตฏะสงสาร มาบวชเพื่อเห็นพายแล้วก็มาบวชเพื่อมัายุติการเวีว่าตายเกิดในวัฏสงสารนั่นเราป้าหมายของการบวชที่แท้จริงบวชเพื่อมายุติการเวีว่ายตายเกิดอย่างเมื่วานนี้ก็เทนเรียกว่าประโยชน์ของการมาเกิดมีอะไรบ้างก็มีข้อเดียวเท่านั้นนะคือมาหยุดการเกิดเพราะงั้นไม่มีประโยชน์เลยจะให้รวยขนาดไหนให้เป็นใหญ่โตขนาดไหน มันก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาของเราได้แับความทุกข์ใจเราได้หยุดการเวียนว่ายตายเก่ของเราได้นอกจากการมาอยู่ความการเกิดให้ได้เท่านั้นเองถ้าอยู่การเกิดได้แล้วมันก็จบปัญหาทั้งหลายก็จบถ้ายังมีการเกิดไม่ได้ก็จะต้องมาเจอการมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆมาเจอกับปัญหาเจอกับความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆและไม่มีภพไหนาชาติไหนที่จะมีเป็นโอกาสทองยิ่งเท่ากับภพบนี้ ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ชี้ทางบอกทางถ้าเรามาเกิดในยุงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ไม่สามารถที่จะทันหยุดการเกิดได้นอกจากว่าเราเป็นโพธิสัตว์เหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธนะัตถะที่พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันทีว่าต้องออกบวชแล้วอยู่ต่อไปไม่ได้นะตอนนั้นถึงจะสามารถหยุดการมาเกิดได้ ต้อเป็นพระบุตรศิษย์หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องมาเกอนในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสอนคอยบอกเพะฉั้นพวกเราโชคดีพบในชาตินี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะคอยสอนคอยบอกเราอยู่อย่าปล่อยให้โอกาสทางอี่ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์เลยอย่าเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดง่ายๆคว้าลำหน่ยเหมือนที่วระเจ้าสงเทศบอกโพธิรัตน์ใบาลานเปล่า ใบาลานเปล่าในขณะเป็นนักบวชยังโดนพระพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นใบร า, านปาเปล่าคือบวชแล้วแต่เรียนอย่างเดียวศึกษาพระไตรปิฎกรู้หมดรู้คำสอนพระเจ้าหมดแต่ไม่ไมปปฏิบัติทุกครั้งที่พระเจ้าเจอโพธินาคเธอโพธินาคเธอเป็นใบาลานเปล่าชีวิตทำนั่นเล่นไม่เป็นปล่าประโยชน์อยู่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ไปกินไปอะไรไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเธอไม่ปฏิบัติ พอได้ยินคำนี้ก็เลยต้องไปปฏิบัติพอปฏิบัติไม่กี่วันก็บรรลุเป็นผ้าหลานได้ขอบพระคุณอาจารย์ให้ปัญญาครับผมขอาการถามคำถามจากเพื่อนๆม้ากครับรอาจารย์ครับบอกว่าเวลานั่งดูลมหายใจแล้วใจนิ่งมากมาถูกทางหรือเปล่าครับถูกงนะ่าแต่ยังไม่ไม่ไม่ไม่รวมจิตให้รวมให้ ให้มันเกิดความมหัศจรรย์ใจจิตดวงจริงๆมันเหมือนกับเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะเป็นจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกเข้าสู่โลกทิพย์เวจิตดวงนี้เท่ากับจิตเข้าสู่โลกทิพย์โลกของร่างกายนี้จะห้ไปจากความรับลวงแล้วความรู้สึกเบาอกเบาใจสุขใจสบายใจอีกมบอใจนี้มันจะปรากฏขึ้นในใจอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนต้องดูโน้ต่อไปอย่าหยุดยดูไปเรื่อยๆ ด้วยอามจะจิตจะลมแล้วเน่สักแต่ว่ารู้ลมหายไปร่างตายหายไปอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดครับต้องทําอย่างไรครับก็นี่แหละไปไปบวชเนี่ยเป็นนักบวชพระเจ้าเห็นเกิดแก่เจ็บตายแล้วเห็นนักบวชเห็นโจทย์แล้วก็เห็นคําตอบเ่วทูตสีนี้มีทั้งโจทยรมีทั้งคําตอบโจทย์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตาย คำตอบก็คือการไปบวชไปเป็นนักบวชรือว่าเจ้าก็จะอยู่คลองราชต่อไปเลยแต่รั่วคองราชก็มันมีเวลาที่จะปฏิบัติต้องไปบวชไปอยู่กับนักบวชแล้วเขาได้เรียนรู้จักนักบวชวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจคุณปางซาครับอยากทราบ ว่าคําว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายแปลว่าอะไรครับก็เวลาพูดกับพิสูุน์นะกาจะแสดทงทำว่าดูกนดูกรก็ดูก่รนี่นะพวกเธอเป็นเป็นก็นเรียกว่าเป็นวาทะหรือเป็นอะไรโมหันของพระเจ้าเวลาเวลาจะแสดงธรรมนั่นก็แสดงเมื่อจนโดยดูก่อนพวกเธอทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเอสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตรงยังประโยชน์ตนหน้าประโยชน์ พูดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่กระหมาดเิดทุกค้งทว่าเราจะแสดงธรรมวิญญาณจะแสดงกับพระภิกษุส่วนใหญ่ที่ทำที่ทรงแสดงนั้แสดงกับพระภิกษุจะทําอย่างไรให้ปล่อยวางกับการตายและการสูญเสียได้ครับอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติสิ่งสมาธิปัญญาถ้ามีสิ่งมีสมาธิมีปัญญาก็จะปล่อยได้ ายะอีนี้ไม่ไม่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะเล่าไปก็ทำไม่ได้อยู่ดีต้องทำขั้นารกขนาดก่อนก็คือไปบวชให้ได้ก่อนจ <c oughs> ตกคุณพลอยบอกว่าส่งการบ้านนะครับบอกว่าเมื่อวานตั้งใจจะไปซื้อกระเป๋าราคาเจ็ดหมื้าพันบาทถึงขนาดโทรไปสอบถามสต๊อกสินค้าในช็อปเรียบร้อยแต่พอนึกถึงคำสอนพระอาจารย์ให้ลดและตัดกิเลสความอยากหายไปเลยเปลี่ยนนาเงินไปโอนบริจาคโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่โดนวางระเบิดแทนรู้สึกมีความสุขอิ่มใจเหมือนที่ฟาจารสอนสั่งมาเลยนะครับสาธุฟ<ส> า, าจาร์กันครับสาธุอินดีด้วยนี่แหละคือวามสุขทําให้เราขนลุกได้แทนที่จะยังไม่ซื้อกระเป๋าไปหนึ่งดีใจเดี๋ยวกดียวได้กระเป๋ามาแต่ความสุขที่เราเอาไปทําประโยชน์ให้กับเพื่อนมอนุษย์นี่มันทําให้เรามีความรู้ส็จมีความประทับใจมีความสุขใจยังทุกครั้งน่ะถ้าเราต้องการมีถ้าเรามีเงินแล้วเราจะต้องการ ใช้มันเพื่อให้ความสุขของเราอย่าไปซื้อของอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสร็มันเป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไหร่ไม่อิ่มไม่พอสุขเดี๋ยวเดียวสุขชั่วในขณะที่ได้เสร็จหลังจากนั้นเก็กลายเป็นกลายเป็ น, ปนวัตถุชิ้นหนึ่งเี่ยซื้อกระเป๋ามาซื้อรองเท้ามาต้องเยอะแยะดูในในตู้เราเต็ไมไปหมดมําทําให้เราประทับใจไม่เวลาเห็นไม่ไม่ไม่เน ไ, ไ, ไม่มีความประทับใจอะไรเลยนะ เงินที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลกับโรงเรียนหรือกับอะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่เราเลกถึงมันเนี่ยมันยังให้ความสุนใจกับเราอยู่เพราะมันยังไม่สูญหายไปไหนมันยังรอเวลาที่จะมารับใช้เราตอนที่เราตายไปแล้วความศักดิ์สิทนี้มันจะมารับจิตุโยงวิญญาณของเราไปสู่สวรรค์ต่อไปจะวางใจอย่างไรเวลาที่เห็นข่าวที่รุนแรงครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาจะ น, นูนาเท่าไหร่มันก็เหนไม่พ้กนการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างขอโอกาสครับจะบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลบริษัทเสนอราคาให้แพงกว่าราคาคลินิกเพื่อนหลายแสนบาททั้งท้งที่สเปคเดียวกันควรจะใช้ปัญญาอย่างไรครับ เราก็ต่อรองได้นซื้อของเราก็บอกอันนี้เขาเขาซื้อราคานี้คุณขาราคานี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนไปซื้อเจ้าอื่นแทนนั้นเองการมีสติในชีวิตประจําวันต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็เราต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องยืดเหนียวจิตใจเน้นใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปกับอารมณ์กับความคิดต่างๆที่มันไหลมาใน ใ, ใจ ปกติใจเราจะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวมันจะลอยไปกับความคิดพอตื่นมาก็เริ่มคิดแล้ววันนี้วันอะไรไปพบกับใครที่ไหนอย่างไรวันนี้ไปทำอะไรมานีแสดงว่าไม่มีสติใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่างกายเราต้องดึงใจให้กลับมาอยู่ที่ร่างกายด้วยการผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเอาดูว่าร่างกายกาลังทำอะไรอยู่ กาลังเงยกำลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกำลังนอนนี่ต้องอยู่กับมันทุกข์กิยาบทกําลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกําลังรับประทานอาหารอนีอ่ก็ อ, อยู่กับมันทุกข์กิเ ล, ลบทอันนี้ก็เท่ากับมีสติอีกวิธีหนึ่งก็ให้เราผูกใจไว้กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้พราะพุทโธนี้ก็จะทําให้ใจเราอยู่ในปัจจุบันเพราะพุทโธแล้วไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตพุทโธนี้จะอยู่ในปัจจุบัน เราสามารถพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยฝึกสติไปเรื่อยๆใจก็จะไม่ไม่ลอยไปไหนไม่ลอยไปตามความคิดต่างๆแล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบได้ง่ายไม่คุ้งซ่าอาจารย์ครับคนที่ฝึกอย่างนี้เป็นประจํานี้โอกาสที่จะสะดุ้งตกใจอะไรจะน้อยลงใช่ไหมครับอาจารย์มันก็้อยู่กําลังของสติว่ามีมากมีน้อยยิ่งมากเท่าไหร่กย็ยิ่งความสะดุ้งตกใจก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ จนรู้สึกเฉยไปเลยถ้ามีโอเมก้าเต็มร้อยนี่นก็จะเฉยไปเลยขับอะไรก็ตามคุณจินครับสอบถามเวลาเรานั่งปฏิบัติ30นาทีแรกจะนั่งดูลมหายใจกำหนดพุทโธไปด้วยได้แต่พอเข้านาทีที่4ี่จะเริ่มชามันผ่านเวทนามไม่ได้เพราะพยายามที่จะผ่านเวทนา น, นี้ก็ใช้วิธีดูลมหายใจพอดูมากเกินไปก็เหมือนเพ่งหายใจไม่ออกขอคาแนะนาพระอาจารย์ครับ ควรจะเปลี่ยนเหใช้คําบไรกรรมจะดีกว่าช่วงนั้นถ้าถ้าถ้าดูร่มไม่ได้อย่าดูรม่มอ่านมาใช้คําบไรกรรมพุโทโธก็ได้อ น, นิจจังทุกขังนันตาก็ได้ให้ใจอยู่คําบไรกรรมอย่าไปคิดถึงอาการเจ็บปวดแล้วใจก็จะไม่ทรมานไ ม, ไ, ม ไ, มไมู่่้มายแล้วใจก็จะนิ่งสงบปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายได้ ฝึกสติเท่าไหร่ก็เผลอไปทุกครั้งรถล้มรถชนลื่นหรือปวดขาก็ไม่เคยคิดพุดโทโธได้สักครั้งเดียวครับก็ เ, เราพยายามฝึกไปเรื่อยโดยเฉพาะช่วงที่เราตื่นมาเนี่ยพยายามบังคับให้เริ่มฝึกตั้งวันจุดเริ่มต้นของการฝึกสติที่ดีที่สุดก็คือตอนที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจุดเริ่มต้นของวันเลยฝึกสติไปเพราะช่วงนั้นเราอยู่คนเดียวเราสามารถที่จะควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ ถ้าเราอยู่กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็เขาก็ต้องุเจอเขาก็ต้องทักทายกันถามสารทักทุกขสุดเ ด, ด็ดคุยกันเรื่อง น, นี้เรื่องนี้ใจก็ลอยไปกับความคิดแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวตอนช่วงเช้าที่เราตื่นมาเพื่อเราจะเตรียมตัวไปทํางานเนี้เราก็อยู่คนเดียวตืว่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ํานั่งหน้าแปลงพันก็พุทโธไปแต่งตัวก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปเดนกลาเราจะไปเจอคนค่อยหนึ่งพุทโธแล้วทักทายเขาต่อไป แล้วถ้าเป็นไม่ได้กลับมาพูดโทรต่อถ้าไม่มีเรื่องอะไรให้เราพูดต้องคุยทําทำนี้ไปเริ่มต้องเริ่มทําตอนเช้าดีที่สึดถ้ามันเปจุดเพราะมันช่วงเวลาที่มันเหมาะไม่มีอะไรมันบรบกวนใจเราไม่มีอะไรมันดึงใจเราให้ไปคุณแม็กครับเริ่มฝึกสินแปดเองที่บ้านจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับก็ศึกษาดูซิว่าสินแปดมีอะไรบ้าง ถ้าจะพูดให้เ ข, าข้าวๆฟังก็ข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อ 1, ขสองไม่ลักทรัพย์ข้อสาไม่เสพการไม่ร่วมหลับนอนกับใครต่างจากศินห้าสินห้ายังอนุญาตให้ล่วงหลับกับคู่ครองได้แต่พอมาถือสิน8ข้อสานี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอภรามจารีย์ก็คือการถือพรหมจรรย์ไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่เสพการไม่ร่วมเพศง่ายง่ายข้อสี่ก็เหมือนกับสินห้าก็คือไม่ไม่พูดปด ข้อห้าก็คือไม่ดืยย่มสุราเอา่อมาอันนี้ก็เหมือนกันแล้วเพิ่มข้อหไม่นอนประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วข้อเจ็ดก็ไม่ดูพวกหมอหสพมันแทาต่างๆไม่เสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยการใส่เสื้อผ้าทีา่ที่วิจิตพิสดารไื่อเสริมสวยความงามด้วยการใช้น้ํามันน้ําหอมเครื่องสำอางอะไรต่างๆ แล้วข้อแปก็คือไม่ให้นอนมือนพวกให้นอนที่เนียนที่ที่สุขสบายเกินไปให้นอนเหมือนพื้นที่แข็งแข็งจะได้นอนไม่มากนี่ก็คือสิ่งแปความตายมันน่ากลัวพยายามทําใจไม่ให้คิดแต่ห่วงลูกหลานแต่ยังไงก็ตัดใจไม่ได้สักทีครับเฮ้ยความตายมันไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือความความทุกข์ที่เกิดจากพิเรนนี่แหละ ที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะทุกคนที่ตายได้เด็กก็ยังตายเป็ น, น, นเด็กอายุไม่ถึงขวบก็ตายได้กี่ขวบก็ตายได้ความตายมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือความความกลัวตายที่เกิดจัด ก, การที่เราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ยับยัง้งกิเลสตัณหาความอยากไม่ตายนี่แะที่น่ากลัว ใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทครับใกล้มีสติอยู่ทั้งวันเลยลอยใจลอยไปลอยมากับอันดีคำอันนาค้นให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ให้ทํากิจที่เราต้องควรจะทำํำกิช่วงเราที่แท้จริงก็คือทําข้อสอบข้อนี้นะ่ะข้อแก่เจ็บตายเนี่ยมันข้อสอบที่เราต้องมาทํากันทำนี้ต้งเรียบทาการบ้านก่อนด้วยการระลึกถึงมันอยู่เรื่อยๆ พระาบอกทําการบ้านเรื่องการให้เราได้ถึงว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดานุ่งพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้คิดบ่อยๆคิดทั้งวันเลยพอถึงถึงขีดถึงแล้วมันจะรู้ว่าการที่เรามาหาอะไรต่างๆในโลกนี้มันไม่เป็นประโยชน์เลยเวลาเราตายไปของเหลานี้เราไปไม่ได้เลยเวลาเราจะตายแล้วาก็ต้องทุกทรมานอย่างยิ่ง สู้เาวเวลามาศึกษาวิธีปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายดีกว่าเพื่อเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ขมันนี่ก็ไม่ว่าความไม่ประมาททางพระพุทธศาสนาให้รีบทากิจที่เพลินกระทําเสียตั้งแต่วันนี้เพราะเราจะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อันจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ได้ใช้ศีลสมาธิปัญญาในการเสพสุขแทนนี้อย่างไรครับอาจ ก็เสียก็คือไปอยู่แบบนักบวชถือเสียงแปดไม่หาความไม่ไม่ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นลดเป็นเราต้องระงรับการเสบรูปเสียงกลิ่นรดก่อนเคยดูหนังฟังเพลงเคยเที่ยวเคยกินเคยนอนอะไรกับใครนี่แรกบวชอยู่แบบพระอยู่แบบนักบวชแล้วก็เวลาที่ที่มีอยู่ทั้งหมดนี้มาให้กับการเจ ร, ร, ริญสติควบ ค, คุมความคิดหยุดความคิดนั่งสมาธิทําใจให้หนิ่งให้สงบ พอใจนิ่งสงบเราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิเราก็จะมีความสุขอยู่กับความสงบนี้เราก็จะไม่หิวโหยไปกับความสุขทางร่างกายแล้วถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะสามารถระงับความนี้ความอยากจะเสีรูดเสียงกินรบได้อย่างทา้าววนสติสมาธินี้เพียงแต่หยุดไว้ชั่วคราวถ้าต้องการให้หยุดอย่างถาววนเราใช้ปัญญาสอนใจว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้รูปเสียงกลื่นนั้นนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของไม่เทียงให้กับสุขได้ชั่วคราวพอเวลามันหมดไปมันก็จะทําทให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสกมันก็จะได้การเสกรูปเสียงเกลื่อนได้นี่คือการปฏิบัติสี่งสมาธิปัญญาเราจะช่วยชาวพุทธพระสามเณรชายแดนภาคใต้ยอย่างไรดีครับ ไม่เหมือนกันไม่ทราบก็ต้อดูว่าเขาเดือดร้อนอะไรบ้างเขาเดือดร้อนอะไรก็ส่งส่งยาก็ส่งปัจจัยไปแล้วเขาก็จัดการกันได้เองพระเนร์ก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีปัจจัยสี่ก็อยู่ได้นะพระนี่ทำเดือดร้อนกองพระน้อยมากเพราะความจาเป็นของพระก็มีแค่อาหารยินทบารจีวรเครื่องนุ่งห่มก็มีอยู่เยอะแยะที่อยู่อาศาัยก็อยู่ที่ไหนก็ได้หลบดดหลฝนได้อยู่ต้น ใด้คนมาอยู่ตามท่านตามเนื้อผาก็ได้ยารักษาโรคสมัยพระพุทธการก็ให้ใช้ยาดองปัสวะนะ้ำปัสวานี่มารักษาได้ถ้าทําตามคาสอนพระพุทธเจ้านะไม่ท่านจะไม่ต้องช่วยเหลือพระภิกษสุสามัญเนยเลยท่านอยู่ของท่านาตามตามแบบพุทธเจา้าได้สบายมากครับถ้ายังประมาทไม่ปฏิบัติจะต้องอยู่ในวัดตะสงสารแบบนี้เหรอครับ ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะหยุดเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่าตายเกิดไม่ไนดะ้ก็คือความอยากต่างๆแล้วก็จะกลับมาเกิดมาแล้วเจ็บมาตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพอเกิดใหม่ก็แก่เจ็บตายใหม่แล้วก็เกิดใหม่เลยเพราะตัวที่พายเรามาเกิดก็คือความอยากนี่งคุณจุไรรัตครับคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตถ้าลูกทําบุญโดยนําปัจจัยของคุณพ่อไปบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์คุณพ่อได้รับอนิสง์เพียงใดครับ ปัจจัยที่คุณพ่อทิ้งไว้นี่ไม่ได้บิดของคุณพ่อนะถ้าคุณพ่อมอบให้เราตั้งแต่ที่ท่านยังไม่ตายท่านก็ได้บุญกุศลจากการที่ท่านมอบเองินทองนี้ให้กับเราไปแล้วแต่ถ้าท่านไม่มอบท่านก็จะไม่ได้บุญกุศลเลยดังเงินทองก้อนนี้แต่ถ้าเราไปทําบุญเนี่ยเราเราจะเป็นคนได้บุญแล้วเราสามารถแบ่งบุญนี้อุทิศไปให้กับคุณพ่อได้แต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดอุทิศได้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง ปฏิบัติตัวอย่างไรถึงให้ได้รับบุญมากที่สุดเมื่อเวลาไปทําบุญที่วัดครับก็ให้มีสติแล้วก็ทําด้วยความด้วยฐาตามขั้นตอนก็คือเวลาทําบุญแล้วก็ทําด้วยด้วยจิตใจที่สะอาดไม่ได้ทําด้วยความโลภความอยากอะไรทั้งสิน้นทําเพื่อประโยชน์สุขของผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเช่นเราไปถวายของง่ายกับพระเราก็ ยกถวายให้ท่านไปแล้วก็จบอย่าไปเป็นเจ้าของของนั่งว่าท่านต้องกินนะท่านต้องใช้นะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้บุญนะเพราะยังเป็นเจ้าของอยู่การจะได้บุญก็คือเป็นของเรายกให้เป็นของคนอื่นเข้าไปแล้วเราไม่เกี่ยวแล้ะเขาจะกินเขาจะใช้ก็จะให้คนนั้นคนนี้ไปไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้คือการทําบุญแบบจิตใจที่สะอาดโดยสุดไม่มีความมิดมั่นถือมั่นในในสิ่งที่เราถวายไป เพราเราถือว่าเรายกให้ผู้รับไปแล้วไม่ให่เป็นของของเราแล้วคุณวชิรวิทย์ครับพระโสดาบันจะไม่ผิดศีลห้านั้นบางครั้งยังอยากทำแต่กลัวบาปกรรมหรือว่าไม่มีใจอยากทำเลยแม้แต่น้อยครับไม่กล้าทำเพราะเห็นโทษของการทำบาว่ามันทำให้ใจทุกขึ้น ม, มันจุดไฟเผาบ้านเราอย่างนี้มีใครกล้าจุดไฟเผาบ้านเราบ้างต้องอยากคนบ้านใช่ พวกเราเปนคนบ้าชอบจุดไฟเผาใจเราด้วยการกระทําบาปก็แสดงว่าบางทีก็ยังมีความอยากแต่ไม่กล้าใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีความอยากมันมันมันก็มันไม่ต้จะไปอยากทําไมเนื่องมั น, มนอาจจะมีก็ได้มันก็ยังมีการมัตสัยังมีกิเลเหลืออยู่อันนี้อาจจะมีอยู่อยากจะไปประเพื่อผิดประเพื่อนี้ก็ไม่กล้าทำละ โสมตาวันนี้ยังอยากเสพยังยังยังอยากร่วมเพศอยยังร่วมเพศโดวยวิธีที่ถูกต้องก็คือไปมีสไปมีสามีไปมีภรรยาไ ม, ไม่ไม่ไปเที่ยวส้ำซ้อนไปทงานไม่ไปเที่ยวตามบาตามผับตามซ่องอะไตรต่างๆทำอย่างไรจิตถึงจะรวมได้นานครับก็มีสติมากๆให้ฝึกสติทั้งวัน คุณหนึ่งครับในสมัยพุทธกาลหลายคนได้ฟังธรรมเทศนาจากองค์สมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บรรลุโสดาบันได้รวดเร็วต่างจากสมัยนี้ฟังธรรมเป็นพันๆครั้งก็ยังไม่พ้นจากถูกครับเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันคือผู้ฟังก็ต้องเป็นผู้ผู้ฟังก็ต้องมีมีภาชนะมาลองรับธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมที่มาลองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือต้องมีศีลที่บริสุทธ มีจิตที่นิ่งสงบเป็นสมาธิเป็นโเมคาตอนที่พระพเจ้าทรงแสดงทําให้กับพระบรรจวคีนี้เพราะบรรจวคีเป็นนักบวยมีศีลโดยสุดมีจิตที่เข้าฌานได้ไม่โอเบคาเพราะได้สัมผัสกับธรรมแท้ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแล้วก็เห็นเหมืนมันเห็นเห็นทันทีตามที่พรุทธเจ้าทรงสอนได้มันต้องมีปัจจัยทั้ง2องสอส่วนคนฟังก็ต้องมีปัจจัย คนให้คนแสดงธรรมก็ต้องมีปัจจัยคือมีธรรมแท้ถ้าเป็นธรรมที่ยังไม่ได้เกิดจากการปฏิบัตินี้ยังไม่ใช่เป็นธรรมแท้แล้วจะสอนแบบผิดๆิดกทุกคนฟังก็จะงงก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้คุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่มา ก, กว่าสามสิบปีแล้วเรารักเขาน้อยลงอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกมันเนเรื่องของการที่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน แต่จะเป็นการไม่มีความอดทนอยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่ลืมบุญคุณของท่านก็คือเราต้องกราบเราเลิกถึงท่านทุกวันนึกถึงบุญคุณว่าที่เรามีหน้างกายของเรามาได้นี้ก็เพราะต้องมีพ่อมีแม่ทั้งสองคนนี้มีพ่อคุณเรามากเราเลิกถึงพระคุณบ่อยๆถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้ท่านความรักความเคารพในตัวท่านก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณสราวุธครับ มีโอกาสได้เข้าไปช่วยวัดดําเนินการเรื่องปิดทองพระองค์ใหญ่โดยช่วยทางวัดประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้หลายแสนจากราคาประเมินท่านอื่นไม่ทราบว่าที่ช่วยว ป, ประหยัดค่าใช้จ่ายนี้ได้บุญด้วยไหมครับใช่ก็เหมือนกันว่าเราก็เอาเงินส่วนที่เป็นส่วนต่างนี้ไปให้กับวัดโดยที่วัดไม่ต้องจ่ายเองเริ่มหัดทําสมาธิแต่ฟุ้งซ่านมากครับจะต้องทําอย่างไรดีครับ เพราะยังไม่ได้ฝึกสติมานั่นเองต้องไปเอาฝึกสติทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนต้เว้นเวลาหลับด้วยที่เราจะไม่ได้จเจริญสติคุณแฮมครับถ้าใช้วิธีพิจารณาทุกคนเป็นอสุภะเพื่อมองว่าเดี๋ยวทุกคนก็ต้องตายแยกธาตุสี่ไปแล้วแต่ยังละ ก, กามอารมณ์ไม่ได้ทั้งหมดแล้วจึงทาใจสงสาร จนอุเบกขาได้ถือว่าใช้วิธีนี้ตลอดตอนอารมณ์เสียได้ไหมครับไม่ทราบคุณพูดหลายเรื่องด้วยกันเรื่องแยกธาตุก็ เ, เรื่องหนึ่งเรื่องอสุภะก็เรื่องหนึ่งเรื่องเวลาอารมณ์เสียก็อีกเรื่องหนึ่งเลยไม่ทราบว่าจะตอบอยังไงดีถ้าคุณมีสติเวลาอารมณ์เสียคุณก็จะละง่าอารมณ์นั้นได้เช่นมีพุทโธพุทโธพอรู้สึกอารมณ์เสียก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ ไม่ต้องมีอสุภาพไม่ต้องมีเห็นธาตุเตสียมันขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์เราเสียเพราะอะไรด้วเนื้อถ้าเสียเพราะเราอยากจะเสกกางอยากจะร่วมหลับนอน ก, กับคนนี้เขาไม่ยอมล่วมหลับนอน ก, กับเราเราก็อารมณ์เสียแล้วก็ใช้อสุภะเข้ามาช่วยก็แันว่าเราจะลองเราจะไปนอนกับซากศพเนี่ยพอรู้ว่าเราจะไปนอนกับากศพมันก็เปลี่ยนใจได้ว่าไม่เอาดีกว่าอารมณ์เสียก็หายไป นี่มันต้องมันพูดมาหลายเรื่องด้วยกันเลยไม่เศร้าจะจะตอบอยังไงดีเหตุผลที่ไม่ให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีเพราะอะไรครับคือไม่ได้ห้ามสมัยก่อนมีการบวชภิกษุณีอยู่แต่การจะบวชภิกษุณีก็ดีบวชพระก็ดีต้องมีภิกษุมีฤๅษีามาเป็นผู้บวชให้ทีนี้ยุคนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วก็เลยไม่สามารถ บ, บวชภิกษุณีได้ การจะบวชภิกษุณีนี่พระเจ้าทรงกําหนดว่าจะต้องบวชผ่านสองสงุ่นกันต้องผ่านภิกษุณีสงฆ์เสร็จแ ล, แล้วต้องมาบวชนับรองโดยพระภิกษุสงฆ์อีกรอบหนึงด้ว ย, สงสงดดวยแต่แนี้ไม่มีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็เลยไม่สามารถะทําการบวชภิกษุณีได้แต่ก็ไม่ได้ห้ามให้ผู้หญิงไม่ไมให้ปฏิบททัติธรรม ผู้หญงก็ยังปฏิบัติทำปฏิบัติมาร์กแดได้เหมือนต่อนที่บวชชีแล้วไม่บวชีบวชบวชเป็นภิกษุณีแล้วไม่บวชภิกษณุณีก็ยังปฏิบัติมาร์กแดได้อยู่ยังบรรลุมรรคผลนี้ผ่านได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าการจะอยู่แบบภิกษุณีนี้มันไม่มีผู้มารองรับแล้วไม่มีใครยัมาสอนผู้หญิใครยัมาสอนภิกษณุณีสิน300อยกว่าข้อนี้ไม่มีใครรู้สินของภิกษุณีดีเท่ากับภิกษุณีเอง มันกัคุณหมอถ้าไม่มีหมอมาสอนคุณหมอหมอจะเป็นหมอได้ไหมไม่ได้ <promotions> นะครับก็ต้องมีหมอไปเรียนหนังสือที่ที่มหาลัยก็มีแต่อาจารย์หมอเท่านั้นเนี่ยที่มาสอนเนี่ยครับถ้าพาไปสอนนีก็ไม่ได้เอได้อีกวิชาหนึ่งครับอาจารย์เรื่องกันอาจารย์ครับพิษุณีนี้ถ้าบวชแล้วก็ต้องอยู่ในอารามเดียวกับพระสงฆ์ด้วยใช่ไหมครับสมัยก่อน รู้สึกว่าจะต้องอยู่เพราะว่ามันผู้หญิงอยู่ต้านน้ำพังไม่ได้ต้องมีพระภิกษุเป็นคนเหมือนกับเป็น อ, บอนาบอดกรคอยคุ้มครองอีกทีนะึล้วพระพุทธเจ้าถึงข้ามไม่ใภิกษุณีสอนท่าด้วยเพราะภิกษุณีนิสัยอาจจะชอบเป็นเหมือนเป็นแม่จะชอบสอนคนนู้นสอนคนนี้ก็เลยห้ามภิกษุณีบวชมาเกี่ยรรษาก็ตามห้ามสอนพระไม่ม า, มาตัดพระภิกษุเพิ่งบวชบวชในวันนี้ก็ห้ามสอน ไม่ให้สอนพระให้อยู่ภายใต้การคำอบรมของพระใ ห, ให้พระให้ให้พระเป็นผู้สั่งสอนพิเศีคุณดีซีครับการเปยนถามบทสวดพานยักษ์มีผลกับจิตไหมครับเพราะเห็นบางคนลุกขึ้นทำท่าทางแปลกๆ แ, แล้วทำให้แสดงออกถึงกรรมมาชาติที่แล้วไหมครับไม่รู้นะแต่ละคนก็จะมีอาการอะไร ในการสวดมนตตามหลักธรรม ท, ที่แท้จริงก็สวดเพื่อให้จิตใจสงบตัวเองให้กายนิ่งใจนิ่งและสวดเราเป็นยากเป็นดิ่งขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่เป็นการปฏิบัติตามแนวของพุทธเจ้านะความรู้สึกแย่ๆกับเรื่องที่ผ่านมาแบบไม่ควรทํากับครอบครัวจะแก้อย่างไรครับอาจารย์ครับก็เอามาเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าการกระทําเหล่านี้มันทําให้เรามีความรู้สึกไม่ดี เราไปเราอย่าไปทําอีกเท่านั้นเองอย่าไปทปันเพราะให้มันประวัติศาสตร์ละซ้ํารอยเคยผิดพลาดแล้วเราอย่าทําผิดซ้ำซากการทําบุญโดยการปิดทองลูกนิมิตตามวัดเราได้บุญหรือไม่ครับคเราได้บุญจากการที่เราบริจาคเงินซื้อทองมาปิดหนึ่นนงเโากาสจะได้มาสร้างวัดสร้างสร้างพระโอโบโเบศนี้ ก็เลยต้องมีมกิมเมกเข้าใจคําว่ากิมเมกไหมตรางหาวิธีหาเงินไงก็ เ, เลยรอดใจว่าถ้าปิดทองนุ่งนี้จะได้บุญเยอะเอาก็อยากได้บุญเยอะก็เลยซื้อทองมาปิดกันวัดจะได้เงินเยอะมันจะได้ เ, เงินมาสร้างโหมู่สร้างเจดีย์กันนะไม่ต้องปิดก็ได้นุ่นนิมิตตามตามธรรมพ่อวินัยนุ่งนีิมินี่ความหมายขอามันก็คือเป็นการเป็น เป็นสิ่งที่เราปักไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเขตของพระอุโบสถมีตรงไหนบ้างก็จะปักสี่มุมมือได้รู้ในที่เขตนี้คือเป็นที่ทําอุโบสถก็เลยตั้งนการปักเขตลูกนี้นีก็เลยเป็นเป็นตัวเป็นเป็นเครื่องมือของการปักเขตก็ไปปักทั้งสี่จุดเหนือใต้ตอนออกตะวันตกก็จบได้สี่จุดตรงนี้นี่คือที่ตั้งของพระอุโบสถ เวลาจะทํากิจกรรมทางสองก็ต้องมาทําในเขตที่ตั้งไว้นี่คือความหมายของการการมีการฝังรุ่มนี้ก็เป็นการปัดเขตนั่นเองพระอาจารย์ครับวัดป่าบางวัดไม่มีอุโบสถอย่างนี้เวลาทํากิจกรรมยังไงครับอาจารย์ก็ไม่ต้องทํานั่นเลยเราจะบวชต้องมีอุโบสถก็ต้องไปบวดที่มีวัดที่มีพระอุโบสถแต่ถ้าทำํำถ้าทำกิจกรรมอย่างอื่นนี่ไม่ต้องมีก็ได้ เช่นเวลาฟังเทศธรรมเนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีฟังในพระอุโบสถก็ได้เวลาฉันอาหารก็ไม่ตงเป็นธรรมในพระอุโบสถมีการทําสังฆกรรมสองสามอย่างนั้นที่เราทําในพระอุโบสถเช่นการการลงพระพระเอ่อการการการบวชพระเนี่ยต้องทําในพระอุโบสถแต่การสรางพระปฏิโมยนี้ก็ไม่ต้องลงโอเบสถก็ได้ลงก็ได้ มีสัง ก, กรรมบางข้อทานที่ต้องทำในพระบรมศพเราเป็นทุกข์กับเรื่องของน้องครับคิดตามแปลว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เราขาดปัญญาเรายังไม่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราที่จะต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้พี่ชายเคยพูดด้วยว่าหากตายแล้วให้เผาแล้วนำกระดูกไปโรยบนเขาครับ ก็ทําตามที่เขาบอกก็ได้ถ้าเราทําได้ก็ทําให้เขาไปการดูแลช่วยเหลือสามีน้องชายของคนพิการสองอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้บุญก็เพราะว่าได้ทําบุญทำทานด้การช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนที่เขาตกทุกข์ยากเราช่วยบันเทาความทุกข์ยากเหมกแล้วก็ได้บุญ คุณพัชรีครับก่อนคุณย่าจะสิ้นลมกระซิบบอกคุณย่าจะเอาเงินของคุณย่าไปทําบุญคุณย่าได้บุญไหมครับคุณคุณย่ายังไม่ได้ทําเนี่ยจะได้บุญต้องคิดก่อนแล้วก็เอาไปทําให้งงที้ที่อยากจะทํานี้บุดมือไปเป็นแต่คิดอย่างเดียวยังไม่สําเร็จคิดแล้วต้องทํา มีคนเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้บริกรรมเพราะจะทําให้เป็นการยึดมั่นอันนี้จริงเท็จอย่างไรครับการยึดมั่นคำกบบรกรมนี้เป็นมั่งเป็นเครื่องมือในการทําจิตใจให้สมองคนที่ไม่ปฏิบัติก็พูดเพ้อเจ้อไปอย่างนั้นเองไม่ต้องไปฟังอถ้าคุณไม่ยึดกับคํา บ, บริกรรมคุณก็จะไปคิดเรื่องนั้นนี่บริกรรมสองสามคำก็พอมีความคิดอย่างนี้ก็เข้ามาก็คิดตามความคิดแบบนั้น อย่างนี้คนก็ไม่มีฐานที่จะทําใจให้สงบได้การที่จะทําใจให้สงบได้ต้องยึดคำกรริกรรมต้องยึดอารมณ์กรรมาฐานที่เราใช้เป็นเครื่องกบกับจิตใจดูลมหายใจก็ต้องยึดยึดการดูลมหายใจของนี้มันเป็นเครื่องมือที่จะมาทําใจให้สงบถ้าเราไม่ยึดเราเราไม่ใช้มันใช้ปุ๊บเดียวแล้วก็ปล่อยนี่ปล่อยให้มันเป็นมาก็มาไม่มาก็มาจิตมันก็ไม่สงบเท่านั้น คุณจินนี่ครับเขาโอกาสถามเกิดเจ็บป่วยหนักกระทันหันขึ้นได้รับความทุกข์มากคิดว่าตัวเองจะตายแล้วตอนแรกเกิดความกลัวตายและกังวลเรื่องต่า ง, างๆมากหากเกิดทุกข์ขึ้นอีกควรทําใจอย่างไรครับก็ต้องยอมตายท่านนะเพราะวาความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่เหนือวิสัยของเราที่เราจะไปห้ามมันได้ถ้าเรายอมตายแล้วเราก็จะหายทุกข์เราก็จะไม่ทุกขอ์อีกที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมตายกเพราะอยากอยูอย่ เป็นคนฟุ้งซ่านมากครับจะแก้แบบไหนดูครับใช้สติไหยฝึกสติคอยควบคุมควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคำวลีคำพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไปคิดถึงเรื่องร า, าวต่างๆไม่ได้หรือผูกไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เนือการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตลอดเวลาคุณพนิดาครับเจ็บปวด พยายามอดทนแต่ไม่เคยผ่านช่วงใกล้ครบชั่วโมงได้ครับก็ต้องใช้คำบริกรรมอย่างนั่นเฉยๆถ้าถ้าอยู่คำบริกรรมไปมันก็จะผ่านได้แต่ต้องอดทนต้องพยายามบริกรรมไปเรื่อยๆอย่าหยุดจนกว่าใจจะสงบใจจะปล่อยวางความเจ็บได้แนละ้วมันก็จะผ่านไปได้เป็นคนมีกิเลสเยอะมากจะลดได้อย่างไรครับยังทําตามกิ เ, เลส เวลาอยากไปเที่ยวก็อย่าไปอย่ า, ไ ป, ยาไปเที่ยวอย่าไปถับตาความอยากอะไรมักจะคิดถึงความตายขอยงคนรักแล้วตักเตือน ญ, ญาติผู้ใหญ่แต่ท่านชอบให้ระวังตนเองมากกว่าสรุปคือต่างคนต่างเป็นห่วงกันควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรเพื่อลัความทุกข์ความห่วงนี้ครับคือเราต้องยอมรับความจริงต้องเห็นความจริงว่าทุกคนจะต้องตายเป็นธรรมดา ห่วงยงไงมันก็ห้ามความตายไม่ได้งั้นอย่าไปห่วงไม่เสียเวลาดูแลกันได้แต่อย่าไปห่วงอย่าไปกังวลอย่าไปทุกขแต่ดูแลกันได้ช่วยเหลือกันได้จิตที่ยังประมาสครูบาอาจารย์อยู่จะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับเพราะทราบว่าเป็นกรรมชนิดหนึ่งครับก็ห้ามใจอยู่เรื่อยว่าไม่คลัวยิ่ไปปรามาสท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรา เราจะไปปรามาถันทำไมให้เสียเวลาทําไมปรามาถันกับเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกหน่อยชีวิตการทํางานสมัยนี้มีทั้งการกลั่นแกล้งชิงดีชิงเด่นการทํางานจึงต้องเข้มแข็งแนละตอบโต้เราจะไม่ประมาทอย่างไรให้ไม่ผิดศีลถ้ายอมไปจะอยู่ยากร้ายไปก็ผิดศีลครับก็สกสสู้แบบไม่สู้กับ ชูวด้วยธรรมะ่อย่าไปช่อยด้วยการการทำผิดศีลแล้วก็พูดด้วยความจริงพูดอะไรก็พูดความจริงไปโต้แย้งกันด้วยเหตุผลถ้าไม่ยอมกันก็ต่างฝ่ายก็แยกกันไปอย่ามาทลาบ อ, อกว้กันอย่ามาเอาแพร่อเอาชนะกันบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในอดีตฝึกนั่งสมาธิแผ่เมตตามารยะนหนึ่งแล้วเหตุใดจึงไม่ดีขึ้นเลยครับ เพระมันเจไม่ได้สงบไปบางท่านไปบวชเมื่อเข้าไปอยู่ใต้ร่มพระพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปเพื่อตั้งมั่นในการดับกิเลสอย่างนี้แล้วท่านผู้นั้นยังถือว่าเป็นผู้ประมาทอยู่หรือเปล่าครับก็ถือว่าท่านไม่รู้เรื่องมากกว่าถ้าไม่รู้ว่าการบวชไปบวชเพื่ออะไรท่านที่จะไปบวชเพื่อลด ก, กิเลท่านกลไปบวชเพื่อส่งเสริมกิเลสไปสะสอมกิเลสก็ได้ คนที่มีคุณสมบัติเป็นพระโสดาบันคืออย่างไรครับก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของของท่านท่านเห็นว่าร่างกายเป็นเหมือนเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็ไม่ไม่ทุกข์ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายอันนี้ท่านมองร่างกายนี้เหมือนกับมองร่างกายของคนอื่นเวลาร่างกายของคนอื่นแก่เจ็บตายท่านก็เฉยเฉยเวลาร่างกายของท่านแก่เจ็บตายท่านก็เฉยเฉยเหมือนกัน คุณทีตานันครับเคยปฏิบัติกับเพื่อนแม่ชีแต่ผิดทางบอกว่าจะมีพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์มาสอนทางจิตจนเพี้ยนไปและรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงแต่เป็นจิตของเราเองแต่ก็ไม่ได้ไปบอกทางแม่ชีแต่แยกออกมาเฉยๆไม่ทราบว่าควรจะกลับไปบอกเขาดีไหมครับว่าเขาเข้าใจมันผิดครับก็แล้วแต่ถ้าเขาถามก็บอกเขาได้ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องไปบอกเขา สามีตายไปแล้วมารู้ทีหลังว่ามีเมียน้อยเราทําใจไม่ได้เลยครับเพราะเรายังอยากให้เขาเป็นของเราเพียงคนเดียวอยเราก็ต้องใจกว้างว่าเอาอยากจะเอาไปเอาเข้าไปก็เอาไปแบ่งกันได้ของไม่ไม่ตะลองยนตให้ทำมาคนมีไมใช่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นถูกต้องครับ ใจเราไม่ทุกข์ใจเราสงบใจเรามีความสุขหรือว่าเราเรามีความทุงข์เราก็ดับมันได้ทะเลาะกับคุณพ่อเรื่องให้พ่อทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่กลัวคนจะปล่อยให้ท่านกินอะไรตามตามที่ท่านต้องการจะกินเราเป็นผู้น่ามีหน้าที่รับใช้ท่านคอยรับคําสั่งว่าท่านจะกินอาหารแล้วก็ไปจัดมาให้ท่านก็แล้วกัน ไม่ใช่เรามาเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นเจ้านายคอยสัง่งให้กินอย่างนั้นกินอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ในการนี้ดูพ่อแม่ที่ถูกต้องนดูตรงรับใช้ไม่ใช่สั่งการนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าแขนเบาจนยกขึ้นเองได้ทําอย่างไรต่อครับอย่าเป็น อ, อย่าไปยกนนั่งสมาธิไม่ต้องการที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบ เวลามีความรู้สึกอยากจะยกแขนขึ้นมาก็อย่าไปยกกลับมาดูลงหายใจแล้วพูดโทต่อไปจะทําวิธีอย่างไรที่จะแผ่ส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับครับรก็ท่ายทานยังไงทานที่พระเจ้าทรงสอนจะมาจากให้กับวัดก็ได้กับโรงเรียนก็ได้กับโรงพยายบาลก็ได้กับหน่วยกู้ภัยต่างๆที่ตอนนี้ไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้ก็ได้ เมื่อนั่งดูลมไปเรื่อยๆจนลมเบาบางมากๆกายหายไปและเหลือแค่เพียงลมที่ปลายจมูกเบาๆก็ให้เรานั่งดูลมต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่แมื่อความจิตจมล้มรวมก็จะหายไปเรียนถามพระอาจารย์ครับฟังเสียงสวดมนต์จะหาวสมองโล่งโปร่งสบายอธิบายเหตุการณ์นี้อย่างไรครับก็ใจไม่ได้คิดอะไรไมันก็จะมันก็จะเบาสบาย เพราะใจเราไปอยู่กับการสวดมนต์ถ้าเราไม่ได้ฟังการสวดมนต์แล้วเร า, า จ, จะคิดถึงเรื่องการเมืองเรื่องการบ้านเรื่องเศรษฐกิจมันก็จะทําให้ใจเราเครียดขึ้นมาได้เพราะเราอยู่กับเสียงสวดมนต์เสียงสวดมนต์นี่เป็นเสียงที่เป็นกลางไม่ได้ก่อให้เกิดอารมณ์เครียดต่างๆขึ้นมาก็เลยทําให้ใจเบาเย็นสบายบางทีก็อาจจะเพ้อหลับไปก็ได้ถ้าไม่มีสติพอถ้าชาติใดได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ปัญญาที่เราสะสมในชาตินี้จะหายไปไหมครับถ้าเป็นปนัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่หายต้องโรอดัาของพระโสดาบันนี้เป็นปัญญาที่จะไม่หายถ้าเป็นปัญญาที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นมันยังหายได้อยู่เพราะมันยังเป็นสัญญาอยู่เช่นความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังใ น, นวนันนี้เดี๋ยวพวรุ่งนี้เมื่อวันี้เราอาจรีนแล้วก็ได้แต่ถ้าปาัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี่มันจะไม่หายเช่นพระโสดาบันนี้จะจําได้ ไปจนวันตายแล้วว่าความทุกใจของท่านเกิดจากความอยากไม่แจยอยากไม่เจียมอยางไม่ตายทําบุญโดยหยอดเงินใส่ตู้จะได้บุญเลยไหมหรือได้ตอนนําเงินจากตู้ไปถวายครับอราได้เลยตอนที่เราปรสรตู้ถือเราบอิจากไปแล้วไม่ไม่ใช่เงินของเราแล้วเราให้วัดไปแล้วคุณสุธีรัตนครับ ตอนนี้ฝุ่น PM 2.5 ฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณในที่ที่ผมอยู่แม้ว่าที่บ้านผมจะเป็นบ้านนอกมีแต่ต้นไม้และธรรมชาติแต่ก็ยังมีฝุ่นขอถามว่าผมควรจะกลัวที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นโดยการสวมหน้ากากไหมครับหรือให้คิดว่าไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้อะไรจะเกิดกับร่างกายก็ให้มันเกิดช่างมันคิดอย่างไรดีครับก็ทําด้ทั้งสองอย่างถ้าเราคิดว่าป้องกันไว้ก็จะดีเราก็ใส่ไปก็ได้ อ้รารบอกไม่ต้องไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ป้องกันก็นได้ยอมตายก็ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อยู่ที่เราตอนนี้พทที่เราบินถมาศก็ยังใส่แมสก์กันอยู่ทุกวันตั้งแต่ที่โควิดหายไม่ต้องนานนะตั้งแต่เริ่มใส่แมสก์มาตั้งแต่มีโควิดนี่ก็ยังไม่ได้เริกก่กกันมองภาพรูปอื่นเขาก็ไม่เขาก็ยังใส่กันอยู่แล้วก็ยังใส่ตามเข้าไปเ <c oughs> พราะมันมีโรคอื่นมาค่อยมาอยู่เรื่องโรคโรคระบาดอยู่เรื่องใช่ไหมเมีโรค โรคไอไข้หวัดใหญ่บ้างโราโน้นโรคนี้อยู่บ้างโรคโควิดมันก็ยังไม่หายหมดบางคนก็ยังติดอยู่ก็เลยอย่างนี้มันถือเป็นธรรมเนียมประ ก, การเป็นธรรมนิยมใส่ไว้แล้ปลอดภัยกว่าเพราะจะต้องอยู่ใกล้คนด้วยเวลาคนใส่บาตนี่อยู่แค่สองเดียวนครับแล้วก็ใส่บาตรถ้าเขาพูดด้วยดีไม่ดีเขาอาจจะส่งอะไรมาให้เราก็ได้ถ้าเราไม่ใส่แมสน์ไว้ถ้าใส่แมสก์ดีกว่าป้องกันไว้แต่กลัวไม่กลัวอันนี้นนเรื่องหนึ่ง การใส่หน้าเนี่ก็ไม่ได้เราจะกลัวนะบางคนเขาไม่กลัวแต่เขาเห็นว่ามันเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่ที่ควรจะทําเพราะว่ามันเป็นการรักษาร่างกายก็ยิ่งได้ใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้เคขาก็รักษาร่างกายไปแต่เขาไม่กลัวก็มีกลัวก็มีแล้วแต่คนคนตายแล้วไปเกิดตามผลบุญผลกรรมที่ทํามาทันทีเลยหรือไม่ครับ ก็ไป ท, ทันทีเลยยกเว้นว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นนาน จ, จะหนึงให้ยังไม่ไปเกิดก็ได้เช่นความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆก็อาจจะหนึงให้ใจยังไม่ไปอยู่แต่ก็หนึ่งได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ดีคุณอภรรครับการให้นึกถึงความตายตลอดเวลาต้องทําอย่างไรครับผู้เจ้าหลวงก็ให้เวลาเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย เราหาใจของเราเงิหาใจเข้าก็ตายให้เราเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆผมบริจาคโลหิตไปห้าสิบแปดครั้งและมอบอวัยวะให้คนอื่นๆไปใช้ต่อเมื่อตายบุญยกให้พ่อแม่ไปทั้งหมดผมทำถูกหรือผิดครับยกไม่ได้หรอกบุญของใครของมันเวลาเพ่ง โลหิตกระสินสีแดงจะได้ภาติดตาเร็วที่สุดเช่นป้ายห้ามสุบุรี่แต่เมื่อหลับตาสลับลืมตาภาพโลโก้นั้นติดตาทั้งสีแดงแดงและขาวคนทําอย่างไรกับกระสินนั้นก็เกิดนิมิตได้สองสีครับก็อย่าไปดูสองสีเดี็กก็ไปดูภาพที่มีสีเดียวก็ไปดูภาพที่มีแต่สีแดงสีเดียวแล้วก็จําไว้แล้วก็หนับตานึกถึงภาพนั้นไปมันก็จะมีสีเดียวมีภาพเดียว เราไปเห็นภาพสองสีมันก็จะจำสองสีอะครับใช้หลักพระธรรมไหนครับที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวดของร่างกายก่อนตายได้ให้เจ็บปวดน้อยลงครับอย่าไปอยากให้มันกับเจ็บปวดน้อยลงเพราะความอยากให้มันเจ็บปวดเจ็บปวดน้อยลงนี่เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนัน้ถ้าไม่ต้องการให้ใจทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันลดน้อยลงอย่าไปอยากให้มันห ปอยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วความทุกข์ใจจะไม่มีความทรมานใจจะไม่มีนิสัยของคนสามารถถ่ายทอดผ่านทางการสืบสันดาห์ทางสายเลือดได้หรือเปล่าครับหรือเกิดจากกรรมหรือกิเลส ท, ที่สะสมมาจากชาติที่แล้วเพราะผมเห็นตัวอย่างจากน้าชายของผมที่มีนิสัยหลายอย่างเหมือนคุณตาไม่มีผิดครับเมันไม่ผ่านทางสายสายเลือดทางร่างกายแต่มันผ่านจากพฤติกรรม เราอยู่กับเขา น, นานเราอาจจะทําตามเขาก็ได้อาจารย์ครับสรุปว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมครับมีกรใจเรานี่แหละที่จะเป็นสวรรค์ก็เป็นนรกนเวลาใจเรามีความสุขใจเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมานเวลาใจเรามีความทุกข์ใจเราก็เป็นนรกขึ้นมา คุณกิติศักดิ์ครับพี่ชายเคยพูดได้ ว, ว่าหากตายให้เผากระดูกไปโปรยเขาแต่คุณแม่เป็นคนจีนไม่ต้องการให้ทําแบบนั้นต้องการจะเก็บกระดูกไว้ที่วัดเพื่อให้ลูกๆของพี่ชายไปกราบไหว้ได้แล้วแบบนี้คนทําอย่างไรครับก็ถ้าคุณแม่ต้องการก็ปล่อยเขาเชื่อคุณแม่ไปท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราพระท่านทักพ่อแม่ตายไปหลายปีแล้วยังอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนจริงหรือเปล่าครับ ก็ต้องถามท่านดูเล่านเห็นจริงหรือเปล่าเป <c oughs> ็นย่าไปท่าเห็นจริงหรือเปล่าถ่ายรูปมาให้ดูได้ไหมครับ <c oughs> ไม่รู้จะทําอย่างไรครับให้หยุดคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่เบื่อชีวิตทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายตัวเองนะครับใกลคิดพูดโทรแทนถ้าไม่หยุดคิดก็คิดพูดโทรแทนไปท้าไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคนเดียวพอ ใจเราจะหายทุกใจเราจะเย็นจะสบายถ้าอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วความที่ไม่อยากจะมีชี้อยู่ก็จะหายไปตอนป่วยครับแต่อยากจะนั่งสมาธิทำยังไงดีครับก็พุโทโธพุทโธไปนอนก็ได้ไม่นั่งก็ได้แล้วบอกว่าถ้าไม่นั่งแต่นอนท่องไปก็ได้ได้นะครับอาจารย์นั่งสมาธิไปสักพัเหมือนมือไม่มีครับคือสภาวะใดครับ ใจไม่ไปนสนใจกับมันนไงใจเริ่มถอนโตออกจากร่างกายมันก็เลยไม่รับรู้เรื่องส่วนต่างๆของร่างกายแมวที่รักมากตายไปมีบุญอะไรที่ทําแล้วจะช่วยส่งน้องไปพบภูมิที่ดีไหมครับวันนี้ก็เนี่ยบุญที่เกี่ยวกการใส่บาตรทาบุญกับวัดก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ อาบน้ําให้แม่ด้วยการบังคับบ้างไม่อย่างนั้นจะไม่ยอมอาบน้ําเลยอย่างนี้บาปไหมครับก็ไปทำให้ท่านทุกข์ก็บาปนะท่ า, านเราหรือว่าท่านต้างการจะหามอตามใจท่านจะดีกว่าเวลาหนูฟังธรรมะทาไมชอบง่วงบาปไหมครับสังเกตดูแล้วฟังทีไรง่วงจนตาหลับแต่หนูหูหนูได้ยินนะครับเพราะสติไม่ค่อยดีสติน้อย เรื่องการรักษาผ้าคลองพระก่อนอรุณขึ้นจะต้องไม่ห่างจากผ้าคลองเฉพาะช่วงอรุณขึ้นใช่ไหมครับไม่รู้จะกลุ่มเป็นท่านบวชหรือเปล่าคือก็รักษาไว้เพื่อไม่ให้มันหายใช่ไหมให้ดูแลมันให้ดีวิธีการดูแลของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เขาใช้ชื่อคูบาขมครับอาจารย์ครับ ก็ลองไปถามบูปชาติกูบาอาจารย์ของท่านดีกว่ามาวิธีรักษาพ้ารักษาอย่างไรถ้าจเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วจาเป็นจะต้องนั่งสมาธิอีกไหมครับถ้าอยากจะให้สงบก็ต้องนั่งเพราะการจเจริญสติยังไม่ทำให้ใจนิ่งพี่ออาทำให้ใจเบาให้คิดน้อยลงไปแต่ยังไม่นิ่งสงบเต็มที่พี่ังให้มันนิ่งสงบเต็มที่ต้องนั่งเฉย บางครั้งเวลานิ่งๆทำไมรู้สึกเกิดการเคลื่อนกรัรเกิดการเคลื่อนการเหลี่ยมของจิตกับกายครับก็เป็นความคิดปรุงแต่งของเราเองของจิตองอย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาต่อไปถ้า ด, ดูลมก็ดูลมต่อไปพุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้ ฝึกอย่างไรไม่ให้จิตเราเราส่งออกนอกใช้การที่นากายให้เห็นอสุภะในตัวเราได้ไหมครับก็เบื้องต้นก็ควรจใช้พุทโธก็ได้ไม่ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก่อนยังไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งนั้นคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กําลังยืนกําลังเดินกาลังนั่งกําลังนอนกําลังกินอาหารกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรให้มีสติอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายไปอันนี้ก็จะไม่ส่งจิตให้ออกข้างนอก เวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนตัวเริ่มโน้มไปข้างหน้าเรื่อยๆเกิดจากเป็นสมาธิหรือเปล่าครับมันเป็นเรื่องของร่างกายสริละของคนบางคนเวลานั่งสมาธิแล้วไม่มีสติคอยควบคุเมเมอนมันก็เลยอาจจะขึ้นไปขึ้นมาบ้างไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับให้เป็สติอยู่กับการภาวนาไป ทำยังไงถึงจะปล่อยวางความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนมาทางนี้เลยมีเพื่อนเข้าวัดบ้างก็จริงแต่รู้สึกเขาเดินคนละทางคิดเห็นคนละทางกับเราเช่นยังชอบเที่ยวชอบขอพรส่วนตัวเลยไม่เคยได้คุยปรึกษาธรรมะกับใครไม่รู้จะชวนใครไปวัดด้วยกันครับเกาอย่าไปชวนเนี่ยนการไปวัดนี่ดีที่สุดไปคนเดียวได้ดีที่สุดพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่เขา ปฏิบัติเท่าเราเรื่องดีกว่าเราได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าปฏิบัติของเราไปคนเดียวดีกว่าการโกหกที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนถือว่าเป็นบาปไหมครับเช่นต้องการปฏิเสธงานเลี้ยงแต่บอกตรงๆไม่ได้ครับว่าก็โกหกอย่าพูดเฉยเฉไม่ได้เนมะื่อ บ, บอกตอบไม่ได้ การมีความอยากมีเงินมากเรื่อยเพื่อ น, นํามาทําบุญให้คนหมู่มากเสมอเสมอเป็นความอยากที่เป็นกิเลสไหมครับแั้นความอยากมีเงินก็เป็นกิเลสนะเราไปทําอะไรก็อีกเรื่องเห็นตัวเองตายทํายังไงต่อดีครับก็บื้องต้พิสุจน์ดูว่าเราปล่อยปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าปล่อยให้มันตายได้จริงจรหรือเปล่าโดยการไปอยู่ในฝ่าเปลี่ยวที่น่ากลัวดู หรวใจเราเฉยๆได้หรือเปล่าถ้ามีคนมาชนแม่เราทําให้แม่เราเจ็บเราเห็นแม่ทุกใจจากโรคที่เกิดขึ้นเราอยากไปเอาคืนเพื่อให้แม่สบายใจคนที่ชนคุณแม่ล้มเป็นกรรมที่แม่เคยมีกับเขามาก่อนหรือเปล่าถ้าเราไปแก้แค้นแทนแม่จะสร้างกรรมเพิ่มไหมครับถ้าเราไปทํากับเขาเราต้องไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วอย่าไปทํากรรมใหม่ ให้ยอมรับว่ามันี่อาจจะเป็นกรรมของแม่ที่จะต้องมาเจอกับวิบากกรรมนนี้แล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วก็ช่วยดูแลรักษามแม่ไปดีกว่าได้บุญกว่าไปทําร้ายผู้ฝุ่นพีเอมสองจุดห้าเกิดจากกรรมไหมครับกับพฤติกรรมของมนมุษย์เราเนี่ยทุกท้าให้เกิดฝุ่นแบบนี้ขึ้นมา ลงงาเนเลยลดเงินเลยนี่มันก็เป็นกรรมของพฤติกรรมของมนุษย์เท่านั้นแหะถ้าไม่มีมนุษย์ในโลกนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งว่าเรารับประกันได้สมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีสมัยที่เราเป็นเด่กๆนี่ยังไม่มีการพัฒนาท า, นนางด้านอุตสาหกรรมน้ํำยังใสสอาดอากาศยังสะอาดบริสสมัยก่อนนะ้าฝนยี่ลองเอามากินได้นะขับน้าฝนใี่สะอาดแต่สมัยนี้กินไม่ได้นละ้ ผไเต็ม่ปหมดนะก็เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เอยเองนี่แหละตอนเรียนตนัดมยังบอกว่าน้ําฝนเป็นน้ากรรค่ะอาดอยู่เลยครับอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้เลยมีเพื่อนถามว่าถ้าเอาพระพุทธรูปหรือพระเครื่องมาขายแล้วเราเอาเงินนั้นมาทําบุญได้ไหมครับได้การขายพระเครื่องก็เป็นอาชีพอย่างหนึงเป็นสินค้าอย่างหนึ่งไม่บา ไม่เป็นอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมตัวสติตัวผู้รู้ตัวใจคืออันเดียวกันไหมครับควรทำหรือรักษาอันใดก่อนครับคือเราต้องทำสติก่อนสติจะเป็นผู้ที่จะมารักษาผู้รู้ไม่ให้ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนั่งสมาธิแล้ว อ, อึดอัดหายใจไม่สะดวกจะแก้ไขยังไงครับ ใช้คาบริกรรมแทนหรือสวดมนต์ไปก่อนก็นได้พระพุทธเจ้าสอนวิธีทําให้สิ้นความทุกข์การส่งผลของวิบากดําเป็นเหตุของความทุกข์จะทําให้สิ้นความทุกข์ต้องดับวิบากดําให้สิ้นรพรเจ้าไม่ได้สอนวิธีทําให้ตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกอ๋อเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวอะไรครับ <laughs> อาจารย์แสดงท่านต้องกติ ถ้าเราบรรลุโสดาบันเราจะรู้เฉพาะตนเหมือนเรากินข้าวอิ่มจริงไหมครับใช่คนอื่นไม่รู้หรอกว่าเราเป็นโซดาบันหรือเปล่าฟุ้งซ่านคิดมากแคร์คนอื่นมากๆจะทำยังไงดีให้จิตสงบครับฝึกสติบ่อยๆบวชกัรพุทโธไปเรื่อยๆอย่าคิดถึงคนนั้นคนนี้ พระคือผู้ที่บวชเพื่อขัดเกลากิเลสหากพระทาบาปหรือผิดศีลจะได้รับโทษในทางธรรมที่ต้องไปในภพภูมิต่างๆหนักมากกว่าครวาสไหมครับไม่ต่านก เ, เหมือนกันจดมเท่ากันเก็บแมวมาเลี้ยงไว้ที่บ้านยี่สิบเอ็ดตัวตอนนี้โดนรถชนตายเมื่อเช้าไปหนึ่งตัวเสียใจไม่หายเลยครับจะต้องตัดใจอย่างไรครับก็พิจารณาความตายอยู่เรื่อยมา เมื่อแก่มาแล้วก็ต้องเจอความตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วร่างกายเสื่อมลงทุกวันทุกกับความเจ็บปวดทําสมาธิก็ไม่ก้าวหน้ารู้สึกท้อควรทําอย่างไรดีครับการเป็นค า, ารวาสไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากวัตาสงสารเลยหรือครับก็ต้องฝึกสติเท่านั้นนะที่จะช่วยได้พยายามพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพอเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์ในใจเราก็จะน้อยลง ควรทำใจอย่างไรให้ปล่อยวางความทุกข์คนอื่นครับก็ใช้สตินี่แหละพุโทโธพุโทโธอย่างไปคิดถึงคนอื่ น, นอันนี้สงจากการนั่งสมาธิสามารถอุทิศให้ญาติพี่น้องได้ไหมครับอันนี้ไม่มีแสดงไว้การอุทิศบุญนี่เ้าเกิดจากการทำทาบุญทาทานแล้วต้องบอุทิศได้กับผู้ที่ลงนับไปแล้วถ้าผู้ ผู้ที่มีชีวิตอยู่นี่ก็ไม่โอ้ที่ที่แท้เขาไม่ได้แจกข้าวสารให้คนแก่เท่าแต่ผู้รับบางท่านบอกข้าวเราไม่ดีทําให้เราไม่สบายใจต้องทําอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจคําพูดของเขาแล้วเราก็ไม่ว่าถ้าเขาพูดเราก็ควรจะมาพิจารณาดูว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงคราวหน้าถ้าเราจะบริจาคข้าวเขาเหองเราก็ต้องตรวจคุณภาพของข้าวที่เราจะให้เขาก่อน ว่ามันดีจริงไม่ดีจริงงานที่ทำยังต้องขายของด้วยรูปรสกลิ่นเสียงเราควรใช้ศีลสมาธิปัญญาในการทำงานอย่างไรครับออแล้วก็ใช้ใช้ศีลก็คือเราต้องซื่อสัตสุจริตไม่โหบบบอหกหอกลวงเขาไม่ชอบโกงเขาส่วนสมาธิก็เราต้องทำใจเย็นๆเวลาที่เขาพูดอะไรไม่ถูกใจเราเราก็อย่าไปโกรธเขา ใช้ปัญญาว่าคนเอาที่มาซื้อของนี่ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันบางคนก็พูดดีบางคนก็พูดไม่ดีแล้วก็อย่าไปสนใจกับการพูด ก, การกระทำของเขาปล่อยเขาพูดไปตามความต้องการของเขาใส่บาตรตอนเช้าแล้วลืมตรวจน้ําบรรพบุพรบุษจะได้รับส่วนบุญไหมครับไม่ได้ถ้าไม่ได้ตรวจ ต้องต้องกวดคือเราไม่ต้องใช้น้ำเวลาการโกวยก็คือการอดทิ้นบุญสามารถทำได้ในใจเลยหลังจากที่เราใส่บาปไปแล้วหรือถ้าเราเหนอยไปตอนเช้าตอนเย็นเราดำได้เรากให้มาอุทิ้ตอนเย็นก็ได้ถ้าเราทำผิดสี่ห้าข้อใดข้อหนึ่งจะต้องลงอบายภูมิเลยไหมครับก็ขึ้น อ, อ, อยู่กับว่าบาป ท, ที่เราทำมันมาก ม, มากกว่าบุญหรือเปล่า บุญยังมากกว่า บ, บาปอยู่ก็ยังไม่ไปเ อ, อบายบุญจะนหนึ่ไปสวรรค์ก่อนแต่ถ้าผลของบาปมากกว่าผลบุญผลของบุญบาปเวลาลตายไปก็จะไปเอา บ, บายทันทีน้องสาวเสียไปหนึ่งเดือนจากโรคมะเรง็งยังทําใจไม่ได้เลยครับทํำยังไงให้ดีขึ้นครับอย่าไปคิดถึงเขาเลยผ่านไปแล้วเรียนไปพยายามเรียนไปเสียเวลาถ้าคิดถึงเขาก็ใช้คําะไรคำพุโทโธพุโทโธอยุดไป เป็นถามพระอาจารย์ครับสัตว์ที่เราเลี้ยงตายทําบุญให้เขาเขาจะได้รับหรือไม่ครับได้เขาจะสัตว์เขาเหมือนกันเหมือนการเมดูมิญาณเหมือนกันคนที่รวยมีอํานาจเชื่อว่าการฆ่าคนสัตว์คือความดีและมีสุขทุกครั้งที่ทํำบาปส่งผลเขาหลังจากตายไหมครับสม <So> ขณะนั่งสมาธิรู้สึกว่าแขนเบาจนแขะอ่อนนิ ไปซ้ำอีกทีครับการเล่นกีฬาเพื่อรักษาสังขารให้มีสุขภาพดีเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับใครเวลาป่วยเพื่อให้มีกำลังในการทำความดีนานๆถือเป็นการประพฤติรมไหมครับไม่เราะเป็นเป็นงานกระทาการๆไม่เป็นบุญไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นบาปการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเรานี่ถือว่าเป็นการไม่ได้ทาบุญหรือทำบาแต่อย่างใดเป็นการกระทาบาปกาง ไม่ได้บุญไม่ได้บาทใส่บาทแล้วโดนพระตำหนิครับใจเราขุ่นมัวจะแก้ไขอย่างไรครับก็อย่าไปใส่ของนั้นต่อปเลยใส่ของฉันก็ได้ไม่ยอะแยะไปครับการวัดว่าเรามีสติมากขึ้นโดยพิจารณาจากรู้ทันความโกรธโลภหลงการลดการทำของตกหล่นเดินสะดุด หรือหลงลืมของใช้ในแต่ละวันเช่นนี้ใช่หรือไม่ครับใช่ปู่ย่าตายายตายไปหลายสิบปียังบังสกุลให้ยังยังมีอะไรอยู่ไหมครับก็แล้วแต่เราถ้าเรายาจะทำก็ทำได้แต่เราไม่รู้ว่าเขามารอรับหรือเปล่ามีความวิตก กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องงานจะแก้อย่างไรครับก็คิดถึงเรื่องที่มันจะมาแน่ๆก็คือความตายเย่ยมันจะได้หายดิบตกเพราะมืนตายแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปทำบุญแต่ลืมใส่เงินลืมใส่เงินลงมาในซองครับได้ถาวายซองเปล่าไปแล้ ว, วจะเป็นบาปไม่ได้บุญเก็ไม่ได้บุญ ผมให้เงินพ่อแม่ทุกเดือนแต่ท่านเอาเงินไปดื่มสุราและเลี้ยงชาวบ้านผมควรทำอย่างไรดีครับตอนนี้รู้สึกทุกข์ครับเป็นเรื่องของท่านหน้าที่ของเราก็คือทำมือหนับท่านถ้าเรามีก็ให้ท่านไปส่วนท่านจะไปทำยังไงก็เป็นสิทธิของท่านคารวะเวลาสอนธรรมขึ้นกูขึ้นมึงเหมาะสมหรือไม่ครับมันก็เป็นโมหาหนึ่งของการ์ตนา แล้วแต่ความพอใจอันนี้มันไม่มีข้อห้ามการแสดงธรรมนี่จประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงมากกว่าวนวาจามันจะหยามหรือจาละเอียดนี่ก็ขึ้นอยู่กับผู้แสดงว่าอยากจะแสดงในรูปแบบไหน ย, ยืมเงินเพื่อนทำบุญเราได้บุญหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้ไม่ได้เอาเงินไปใช้เขาก็ไม่ได้บุญเพราะเป็นเงินของเขา ไม่ให้เงนินของเราแต่ถ้ายื่เขาตอนเช้าแล้วเราตอนสายแล้วเอาไปคืนเขาบุญที่เราทํา็จะก็จะเป็นยของเราทันทีที่เราเอาเงินไปคืนก็เราก็จะเป็นบุญของเราถ้ายังไม่ได้คืนเงินเขาก็ยังไม่ได้เป็นบุญของเราพระอาจารย์สอนวิธีทําให้หลับโดยใช้ธรรมะหน่อยครับก็ใช้สติอย่าคิดให้อยู่กับลมหายใจก็ไปแล้วอย่าไปอยากหลับพราะความอยากหลับจะทําให้ไม่หลับ ให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปให้ดูมไปเฉยๆเดี๋ยวพอไม่เลยคิดอะไรเดี๋ยวมันก็หลับไปตั้งจิตอธิษฐานตลอดเกิดชาติหน้าขอให้เกิดในชาติตระกูลที่ดีพ่อแม่มีคุณธรรมศีลธรรมมีสัมมาทิฏฐิจะบาปต่อพ่อแม่ปัจจุบันไหมครับไม่หรอกแล้วก็เป็นไปไม่ได้การการขอนี่ไม่เป็นเหตุที่ทำให้เราไปได้ไปการในตระกูลดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทาของเรา ท, ทำบุญด้วยทำบะหลวงพ่อให้พระสมเด็จมาและสั่งไว้ให้เก็บไว้แต่ช่วงที่เราไม่มีสตางค์อยากเอาไปปล่อยเช่าอย่างนี้บาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราไปรับปากกับหลวงพ่อหรือเปล่าว่าจะเก็บไว้ถ้าไม่ไรับปากแล้วก็ถ้าเป็นของที่เป็นของเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเรารับปากแล้วเราก็ก็ถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้ว เป็นของพระท่านมันก็ท่านมาฝากเราไว้ว่เราไปปล่อยเช่าก็เหมืไนกว่าเราของคนหน่งไปปล่อยคําถามครับการนั่งสมาธิเมื่อเจอเวทนาโยมกําหนดทุกครั้งแต่เวทนาไม่หายยิ่งชัดโยมจึงหายใจลึกๆและหายใจยาวๆการนั่งชั่วโมงกว่าๆไม่เห็นเวทนาใจจึงคิดว่าได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแล้วใจก็ไม่ปวดจึงดูได้ชัดว่าเรานั่งสมาธิได้เห็นความทุกข์ ถูกหรือผิดไม่รู้ครับถ้าใจไม่เท่ากับเวทนาก็ใช้ได้แต่ปล่อยวางเวทนาได้ก็ถูกต้องเก็บหมาแมวมาเลี้ยงไม่อยากให้มันลดชนเลยขังอยู่ในบ้านบาปไหมครับถ้ า, าถูกขังมากมันจะเสียยังไงมันก็ได้ได้ได้บุญด้วยได้บาปเนินได้บุญที่เราไปเลี้ยงเขาแล้วก็ได้บาปที่เราไปขังเขา งั้เราไม่อยากจะได้บาปแล้วก็ปล่อยเขาไปเขาจะไปเที่ยวไปเล่นที่นก็เรองของเขาไปถ้าเขาจะตายเขาเป็นก็เป็นกรรมของเขาไปถ้าสมมติว่าในชาตินี้เราสามารถฝึกปฏิบัติได้ระดับหนึ่งเช่นทําได้ห้าเปอร์เซ็นตหากในชาติหน้าเราได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะสามารถสะสมแต้มต่อไปได้เลยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับใช่ ทำไมทุกอย่างจะต้องมีที่สิ้นสุดด้วยครับไม่ทุกอย่างมรอบางอย่างก็ไม่มีที่สิ้นสุดใจนั้นไม่มีวันสิ้นสุดใจมันก็อยู่วนไปเรื่อยๆมีหกอย่างในในจักรวาลนั้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือหกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมำธาตุไฟธาตุรู้คือใจแล้วก็อวกาศธาตุอากาศธาตุสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันสิ้นสุดมันก็อยู่วนไปเรื่อยๆ เราเป็นผู้นำองค์กรจะต้องอยู่กับการวางแผนแก้ไขปัญหามากมายจะทำอย่างไรให้เรามีปัญญาเข้มแข็งมีสติมั่นคงเข้มแข็งครับก็ยึดหลักความจริงเลยยึดยึดหลักเหตุผลอย่าไปยึดถืออารมณ์หรือความคิดขงเราที่ไม่ตรงกับหลักเหตุผลไม่ตรงกับความเป็นจริงผู้ชีวิตเอาเงินนายจ้างมาใช้ในบ้านเราผิดด้วยไหมครับ ไม่เกี่ยวเราเป็นเรื่องของเขาคำถามเพราะอะไรการปฏิบัติกรรมฐานใจเราถึงมีความสุขครับเพราะกรรมฐานมันทําให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบพอใจนิ่งใจสงบก็จะเกิดความสุขที่เกิดจากความนิ่งความสงบของใจนี่เอง เราใส่บาตรแล้วให้คนที่เรานึกถึงร่วมอนุโมทนาบุญถือว่าทําได้ไหมครับเพราะบางคนบอกว่าเขาไม่ใช่เปรตครับเขาร่วมได้แต่เขาจะไม่ได้บุญจากการทําใส่บาตรของเราเพราะเป็นเพินได้ความยินดีชืน่นยินดีกับการกระทําของเราเท่านั้นแต่เขาจะไม่ได้บุญที่เกิดจากการกระทําของเราถ้าเขาอยากจะได้บุญก็ต้องทําของเขาเอง เคยไปปฏิบ şey ัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งซึ okay. ่งทางวัดมีการจัดวางน้ําดื่มวางไว้ส่วนหนึ่งของพื้นที่ซึ่งไม่แน่ใจว่าเอาไว้แจกให้ประชาชนทั่วไปหรือไม่ตอนนั้นเข้าใจว่าแจกให้คนทั่วไปเรามีความหิวน้ําจึงหยิบมาหนึ่งขวดซึ่งหยิบมาโดยไม่มีคนในวัดมอบให้บาปไหมครับตอนนี้ยังติดอยู่ในใจเลยกลัวจะไปเป็นเปรตจะแก้อย่างไรดีครับก็ไปถามวัดเขาเลยว่าน้ําที่ที่เขาวางไว้นามาดื่มได้หรือเปล่า เขาบอกไม่ได้ต้องขออนุญาต ก, ก่อนเราก็ไปขออนุญาตเขาตอนตอนนี้ก็ได้ถ้าเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินก็จ่ายเงินให้เขาไปเรามีใจอยากจะสละร่างกายและอวัยวะเมื่อเสียชีวิตไปแล้วแต่พ่อแม่ไม่ยอมจะต้องอธิบายอย่างไรดีครับเราแต่คนอธิบายเนียไม่ใช่เราไม่รู้จะตอบอยังไงคําถามว่าคำถามเนี่ เวลาเดินจงกรมแล้วมีความคิดเกิดเราควรหยุดเดินจนความคิดหมดแล้วค่อยเดินใหม่หรือหยุดคิดแล้วกลับมารู้สึกกับการเดินเลยครับได้ทั้งสองอย่างเดินไปแล้วก็ได้เดินไปไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องหยุดก็ได้ไค่อยหยุดไปด้วยสติค่อยพุโทโธพุโทโธไปแล้วค่อยเฝ้าดูการเดินไปเราไม่ต้องไปนสนใจกับความคิดปล่อยมันคิดไป ทำบุญใส่บาทเช้าลืมกรวดน้ําไปกวดตอนกลางคืนได้ไหมครับได้ผมไปซื้อปลาที่เขียงไปปล่อยกับทําบุญใส่บาทเปรียบเทียบกันได้ไหมครับทําบุญสองแบบนี้ครับได้ถ้าสมมติถ้าเสียเงนเท่ากันก็ได้บุญเท่ากั น, น, นจิตไม่นิ่งเลยครับเวลานั่งสมาธิทําอย่างไรดีครับไม่มีสติน้องถึงสติให้ม่นว่าก่อนก่อนที่จะมาทำ ทำไมพุดโธแล้วง่วงซึมตลอดเลยครับเิึมอยากหลับครับเพราะมันไม่มีเงี้ยมากระตุ้นใจให้ตื่นเต้นเหมือนกับการไปคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหรือการเล่นเล่นต่างๆแล้วถ้าเราไม่มีสติน้อยด้วยมันก็จะทําให้เราง่วงหลับได้ยังถ้าเรานั่งแล้วมันจะง่วงเราต้องลุกขึ้นมาเดินแต่การเดินนี่ทําให้เรามีสติมากขึ้น ใส่บาทตอนเช้าใส่เงินไปด้วยผิดไหมครับไม่ผิดนะเห ไ, ได้จะใช้ธรรมะข้อไหนขจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากความพลัดพลากจากคนรักหรือสิ่งที่รักครับก็นใช้ข้อนี้แหละป้า่องอย้อเรียก ว, ว่าการพลาดพลากจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ ท, ทุกคนเมื่อแก่มาแล้วจะต้องเจอกับการพลัดพลาดจากกาันเป็นเรื่องธรรมดา ฆ่าสัตว์โดยไม่ได้เจตนาบาปไหมครับเช่นเทน้ําลงไปในลงแก้วที่มีมดครับไม่บาปเพื่อนจะชอบชวนไปปฏิบัติธรรมที่สนักแม่ฉีแต่ตัวเองจะศรัทธาและอยากไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เคารพทางวัดป่ามากกว่าพระอาจารย์จะมีคําแนะนําอย่างไรครับก็าทางไหนทางมันไปก็แล้วกันเขาอยากจะไปเอาแม่ชีก็ไปเข้าไปเราอยาจะไปกับครูบาอาจารย์แล้วก็ไปทางของเรา นั่งสมาธิอยู่กับพุโทโธลมหายใจสักพักจิตมันรวมนิ่งแต่มันไม่ลึกยังมีความรับรู้และกลับมาบริกรรมใหม่บนบนไปครับก็ทำไบฝึกสติให้มากขึ้นเพรางะงานสติเรายัางมีไม่มากพอที่จะทำให้จิตรวมเป็นนึ่งได้ปล่อยปลาแล้วอุทิศบุญได้หรือไม่ครับได้ อีกฝั่งสร้างอีกฝั่งทำลายคนกลางจะต้องทำตัวแบบไหนครับระ ว, วังเฉยไม่เข้าข่ายรายไฟเลงไฟเขาท่านไ่ายเขาทำลายไปแันอยู่เฉยของเราไปไม่เกี่ยวกับเราการพูดจาต่อว่ารถคันหน้าที่ขับไม่ดีอย่างนี้ผิดข้อมุสาไหมครับไม่ผิดหรอกถ้าเขา แล้วก็ทบตามความเป็นจริงแล้วพูดของเราคนเดียเพิ่งทำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นเรื่องของการระบายความรู้สึกของเรามากกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าอย่าพูดดีกว่าอย่าคิดดีกว่าปล่อยวางเฉยไปได้าที่จะดีที่สุดสวดมนต์นี้เป็นบุญกุศลไหมครับถ้าถ้าจิตสงว่าก็เป็นบุญเป็นกุศล เรามีที่แล้วมีคนมาเช่าเลี้ยงปลาอย่างนี้เราบาปไหมครับเราไม่บาปเราให้เขาเช่าที่ไปแต่เขาจะเลี้ยงปลาในี่ยเป็นเรื่องของเขาพระได้มรณาภาพแล้วมาเรียกในฝันตอนตีสามรุ่งเช้าทราบว่าไฟไม่วัดเหลือแต่รูปถ่ายท่านอย่างนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ ตื่นนอนตอนเช้าสวดมนต์บทไหนดีครับสวดได้ทุกบทนะชอบสวดบทไหนก็สวดได้ไปสวดไปให้เกิดสติขึ้นมาได้เลยปวดน้ําไม่มีน้ําได้ไหมครับได้การฝึกสติเพื่อให้รู้ทันความอยากถูกต้องหรือไม่ครับความอยากมันมาเร็วมากบางทีสติมาไม่ทันครับไม่ใช่รู้ทันให้หยุดมันเลยออกจากความอยากขึ้นมา ถ้ามีสติกำลังมากก็จะหยุดความอยากได้ถ้าไม่มากก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนั่งสมาธิแล้วหลับลึกมากทำอย่างไรดีครับอันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่อยากจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินแทน การที่เราตั้งใจปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาในอาชีพและทําด้วยความจริงใจเต็มใจอย่างนี้ถือว่าเป็นการสะสมบุญทําบุญในขณะทําหน้าที่หรือไม่ครับก็คืองานที่เราทําเป็นบุญหรือไม่ถ้าเป็นบุญก็ได้ทําบุญถ้าไม่ไม่เป็นบุญมันก็ไม่ได้บุญมันไม่ได้อยู่ที่การมีความตั้งใจทําหน้าที่มันอยู่ที่งานที่เราทำว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาสมัม่หรือไม่อย่าง ทำบุญให้พ่อแม่ผู้ร่วงลับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าท่านได้รับครับเราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่มียาอย่ทชาบทำแผลผู้ป่วยและใส่ยาฆ่าเชือ้อแบคทีเรียตายเราบาปผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับไม่ผิดอนะเพราะเชื่อแบคทีเรียนี้ไม่มีไม่มีดวจิตดวงใจไก่อน เราจะแยกระหว่างจิตกับความคิดยังไงครับก็หยุดคิดเนีไงพอหยุดคิดเราก็จะเห็นแต่วั้จิตเียูตัวเดียวหยุดคิดด้วยการบริกรรพุทโธพุทโธหรือการดูหมายใจก็การจับบรรลุ ธ, ธรรมจําเป็นต้องเข้าชาญได้ใช่ไหมครับต้องมีฌานถึงจะสามารถละกิเลสได้ถ้าไม่มีฌานเราไม่สามารถใช้ปัญญาละกิเลสได้ก็ยังวรรลุธรรมไม่ม ไ, มได้ อุทิศบุญกุศลก่อนจะใส่บาตรถือเป็นการตรวจน้ําได้ไหมครับเราใส่ก่อนแล้วค่อยบุทิศไห้อุทิศก่อนใส่มันจะไม่บุญบบอยุทิศนะเราทำบุญก่อนให้ได้บุญก่อนแล้วถึงค่อยอุทิศบุญบปฏิบัติตามพระอาจารย์ตาม youtube แต่ไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดถือเป็นศิษย์มิโูบาอาจารย์หรือเปล่าครับมีก็เราเราฟังใครแล้วก็ถือคนนั้นเป็นอาจารย์ของเราไป หลังออกจากสมาธิบางครั้งก็สดชื่นบางครั้งก็ง่วงเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่จิตสงบแล้วไม่สงบนะถ้าจิตสงบก็จะรู้สึกสดชื่นถ้าไม่สงบว่าอาจจะรู้สึกง่วงนอยก็ได้การนึกบริกรรมพุทโธถี่ๆจะช่วยตัดความคิดที่แทะเข้ามาตอนนั่งสมาธิให้ความคิดที่แทะเข้ามาหายไปได้ไหมครับต้องทดลองดีว ท่องน้ำโมสามจบเวลากรวดน้ําถูกต้องไหมครับไม่ต้องท่องก็ได้ให้เราได้ประณ ใ, ใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคลเรื่องพวกนี้ที่เรารับไปแล้วก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์เวลาที่คุณพ่อเมาแล้วอาราวาดคนในบ้านและด่าเพื่อนบ้านเราตะคอกใส่เพื่อให้พ่อหยุดอย่างนี้เราบาปไหมครับก็เป็นกวาจาที่ไม่ไม่สุภาพไม่โกรธที่จ ตะคข้ากับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราจะพ่อผู้ไม่ประคุณควรยันเร่งเฉยดีกว่าแล้วหลบงนี้ไปอีกไปปล่อยให้ท่านตาละวา่าท่านไปคุณพ่อเอาปูมาขังไว้เพื่อทํากินเราสงสารแอบเอาของพ่อไปปล่อยพ่อเลยไม่ได้กินอย่างนี้เราบาปไหมครับเราก็รักทัพย์ของท่านไปครับคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับไม่อยากเกิดในโลกนี้อีกต่อไปต้องทําอย่างไรครับ ไปบ่นพูคือพูดใหู้ดูดที่ไปบ่นก็คือพูดที่ไม่ต้องการอะไรระลับมาเกิดขออกากับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซหกร้อยเจ็ดในยูหกร้อยสามสิบสองในคลับห้าในติ๊ t ต k อกห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับ มีเพื่อนเวื่อนฝั่งทำด้วยกันหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบเก้าท่านนะครับอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนากาสิบสี่นาทีอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคำถามนะครับวันนี้เยอะเลยหนึงร้อยห้าสิบเก้าคือหวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่ท่านจะได้นำออกไปใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปยากใจต่อไป การจนธนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่วเวลาก็ขอให้ท่านบนาังนวสินที่ท่านได้ยนได้ฟังไว้พนิพจารจาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่า น, นี้ถ้าไม่มีเหตุฉัดข้อกันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพร อระคุณพระาจารย์ค่า